เจรนท่านพุทธศาสนิกชนพุทธบริษัทผู้มีจิตฝ่บุญฝ่กุศลทุกๆ ท, ท่านวันนี้เป็นวันที่สามกรกฎาคมพุทธศักราช2548เป็นวันอาทิตย์เป็นวันที่ท่านทั้งหลายไม่ต้องไปทำงานทำการ มีเวลาว่างจึงได้ใช้เวลาว่างนี้ให้เกิดคุณเกิดประโยชน์ด้วยการมาวัดเพื่อปฏิบัติหน้าที่ของมนุษย์พวกเราเกิดมาเราอาจจะไม่ทราบว่าการเป็นมนุษย์นั้นมาเป็นมนุษย์เพื่ออะไรมีหน้าที่อะไรบ้างที่ต้องทำกันมีแต่พระพุทธเจ้ากับพระอาหารหันตสาวกเท่านั้น ที่รู้ถึงหน้าที่ของมนุษย์และได้ทําหน้าที่ของมนุษย์ได้สมบูรณ์เต็มที่จนได้รับประโยชน์อันสูงสุดที่สัตว์โลกคือมนุษย์อย่างเราสามารถจะรับได้นั่นก็คือพัฒนาจิตใจของตนให้ขึ้นไปถึงจุดสูงสุดคือพระนิพพาน นี่แหละคือหน้าที่ของมนุษย์เกิดมาเพื่อมากระทําหน้าที่สามประการด้วยกันเป็นซึ่งเป็นหน้าที่ที่พระพุทธเจ้าทุกพระองค์ที่ได้มาตรัสรู้ประกาศสั่งสอนคําสอนให้กับสัตโลกก็จะสอนหน้าที่ทั้งสามประการนี้ให้กับสตรตวโลกทุกข้างไปนั่นก็คือหนึ่ง ทำความดีทั้งหลายให้ถึงพร้อมสองละกายกระทําความชั่วทั้งหลายเสียสามชระจิตใจให้สะอาดบริสุทธิ์ชาระชําระกาจัดกิเลสตัณหาคือความโลภความโกรธความหลงความอยากต่างๆทั้งหลายที่มีอยู่ในจิตใจให้หมดสิ้นไป <c oughs> เพราะไม่มีภพไหนใน <c oughs> บรรดาภพที่มีอยู่ทั้งหมดที่จะเป็นภพที่สามารถ <c oughs> กระทำสิ่งเหล่านี้ได้มีภพของมนุษย์เพียงภพเดียวเท่านั้นที่เป็นที่มีความสามารถที่จะทำความดีละความชั่อ <c oughs> และชาระจิตใจของตนให้สะอาดบริสุทธิ์ได้ภพอื่อนๆนั้นเป็นภพที่ไปเสวยบุญเสวยกรรม เช่นถ้าไปเกิดในสวรรค์เป็นเทพเป็นพรหมก็ได้แต่สวยบุญคือความสุขที่ตนได้ทำไว้ในสมัยที่เกิดเป็นมนุษย์ถ้าไปเกิดเป็นเนรฉานาไปตกนรกก็ต้องไปสวยกรรมที่เคยทาไว้ในครั้งที่เกิดมาเป็นมนุษย์ <c oughs> แต่ แต่จะไม่สามารถทำบุญละบาหรือชาระจิตใจในภพเหล่านั้นได้เลยเพราะไม่ใช่วิสัยของภพเหล่านั้นที่จะสามารถทาได้นั่นเองมีภพเดียวภูมิเดียวในตายในตายภพนี้ก็คือภพของมนุษย์นี้เท่านั้นที่จะสามารถสร้างบุญสร้างบุญสชําระบาปบาบุ้สาสร้างบุญสร้างสุารสร้างบุญสร้างส คือละเว้นจากการกระทำบาปทั้งหลายแล้วก็ชาระจิตใจของตนให้สะอาดหมดจดได้มีภพของมนุษย์นี้เป็นเพียงภพเดียวดังนั้นถ้าได้เกิดมาเป็นมนุษย์แล้วไม่ได้ทำบุญไม่ได้ละบาปไม่ได้รั บ, บ, ไ, ม ไ, รบไม่ได้ชาระจิตใจของตนให้สะอาดแสดงว่าก่อนมาแล้วเสียชาติเกิดคือไม่ได้รับประโยชน์อันที่พึงจะได้รับนั่นเอง นี่แหละเป็นประโยชน์ที่ดีที่สุดที่เลิศที่สุดไม่มีอะไรในโลกนี้ที่จะมีคุณค่ามีความประเสริฐเลิศโลกเท่ากับการได้บรรลุถึงพระนิพพานได้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดอย่างนี้เป็นความเป็นสิ่งที่อยู่ในวิสัยของพวกเราที่จะสามารถทำกันได้ถ้าเราไม่ทำกัน ก็เท่ากับปล่อยโอกาสอันดีงามให้หลุดใจจากมือก็เท่ากับเป็นการเกิดมาเสียชาติเกิดนั่นเองเหมือนกับเวลาที่เราได้เข้าไปในร้านเพชรร้านพลอยร้านขายทองแล้วเจ้าของเขาอนุญาตให้เราหยิบทุกสิ่งทุกอย่างที่มีอยู่ในร้านนั้นไปได้แต่เรากลับไม่สนใจเรากลับไปสนใจกับของโสโครกเช่นของที่เขาทิ้งไว้ในถังขยะ ไปขุดคุ้ยหาแต่ของที่สกปรกอยู่ในถังขยะแทนที่จะไปเปิดตู้ที่เขาเก็บเพชรเก็บพลอยเก็บเงินเก็บทองไว้เรากลับไปสนใจกับเรื่องขยะทั้งหลายอย่างนี้ก็เป็นอันเสียโอกาสที่ดีเจ้าของร้านเ้าสามีจิตใจที่กว้างอยากจะให้เราได้เอาของดีๆไปกันแต่ความโง่เขลาเบาปัญญาของเรา กับเห็นเพชพรพลอยเงินทองเป็นของไม่มีคุณค่ากับเห็นสิ่งที่อยู่ในกองขยะนั้นมีคุณค่าพวกชีวิตของพวกเราเลยไม่ค่อยได้ดีเท่าไหร่ไม่ได้รับประโยชน์เท่าที่ควรเท่าไหร่ในฐานะที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์ภพภูมิของมนุษย์นี้เป็นภพภูมิที่มีไว้สําหรับเติมน้ามันให้กับชีวิตของเราเหมือนกับสถานีบริการ ที่มีไว้สำหรับเติมน้ำมันเติมลมเติมน้ำให้กับรถยนต์ของเราเพื่อเราจะได้เดินทางไปถึงจุดหมายปลายทางที่ดีได้ mm hmm. เช่นเรากำลังจะเดินทางกลับบ้านเรารถวิ่งไปน้ำมันใกล้จะหมดเราก็ต้องมองหาปั๊มน้ำมันแล้วเมื่อเจอปั๊มน้ำมันเราก็ต้องรีบเลี้ยวเข้าไปรีบเติมน้ำมันเติมน้ำเติมอะไรเสียก่อน เมื่อรถมีน้ำมันมีน้ำมีลมแล้วมันก็พร้อมที่จะพาเราเดินทางไปสู่จุดหมายปลายทางที่เราต้องการไปได้แต่ถ้าเรากับมัวโอเอถึงปั๊มน้ำมันแทนที่จะเอาเงินไปซื้อน้ำมันกับเอาเงินไปซื้อสุรามาดื่มซื้อเหล้ามากินซื้อบุหรี่มาสูบซื้อขนมมารับประทานจนไม่มีเงินเหลือที่จะซื้อน้ำมันเติมใส่ในรถ พอขับรถออกไปได้ไม่ไกลน้ามันหมดก็ต้องจอดไปไม่ถึงจุดหมายปลายทางนี่คือภพชาติของมนุษย์เป็นอย่างนี้ภพชาติของมนุษย์นี้เป็นที่มาเติมน้ํามันแข่งชีวิตชีวิตของเรานั้นเป็นชีวิตของนักท่องเที่ยวของนักเดินทางพวกเรากำลังเดินทางอยู่ในภพน้อยภพใหญ่ที่เรียกว่าสังสาร ว, รวัฏภพแห่งการ <c oughs> เวียนว่ายตายเกิดเกิดแก่เจ็บตายถ้าเราไม่มีคนวิเศษอย่างพระพุทธเจ้ามาบอกเราว่าเราควรจะทำอะไรเราควรจะตั้งเป้าไปที่ไหนเราก็จะไม่รู้เราก็จะใช้ชีวิตของเราแบบสุรุ่ยสุร่ายแบบไม่มีสาระใช้ไปตามอำนาจของกิเลสตัณหา ความโลภความอยากทั้งหลายถ้าปล่อยให้เป็นไปอย่างนี้ผลก็คือชีวิตที่จะต้องเกิดในพกน้อยพพใหญ่ไปแบบไม่รู้จักจบจักสิน้นแต่ถ้าเรามีโอกาสมีวาสนาะได้มาเกิดเจอพระพุทธเจ้าก็ดีหรือเจอศาสนาที่พระพุทธเจ้าได้ทรงก่อสร้างไว้กด็ดีแล้วเราได้รับได้ยินได้ฟัง ท็ทำคำสอนของพระพุทธเจ้าจนรู้ว่าการที่เรามาเกิดเป็นมนุษย์นี้สิ่งที่ดีที่สุดสำหรับมนุษย์ก็คือการทำความดีการละความชั่วการชำระจิตใจของตนให้สะอาดหมดจดเมื่อเรารู้แล้วเราก็ควรที่จะรีบนำไปปฏิบัติเพราะเมื่อเราปฏิบัติแล้ว ผลอันดีเลิศที่พระพุทธเจ้าและพระอาหารหันตสาวกทั้งหลายได้บรรลุถึงก็จะกลายเป็นผลที่พวกเราจะได้บรรลุ ก, กันพวกเราทุกคนกำลังสแสวงหาความสุขกันด้วยกันทุกคนพวกเราพยายามหนีความทุกข์ทั้งหลายแต่เราไม่รู้จักวิธีของการสแสวงหาความสุขของการหนีความทุกข์ที่ถูกต้อง เราจึงมักจะเดินไปพบกับความทุกข์อยู่เรื่อยๆความสุขก็ไม่ค่อยได้เจอเท่าไหร่ถ้าเป็นความสุขก็เป็นความสุขที่จองปลองเป็นความสุขที่มีความทุกข์ซ่อนเร้นอยู่ภายในได้มาใหม่ๆก็มีความสุข <c oughs> แต่หลังจากนั้นแล้วสิ่งที่ได้มาก็กลายเป็นความทุกข์ไปไม่ว่าจะเป็นวัตถุหรือบุคคลล้วนเป็นเช่นนั้นทั้งสิ้น เวลาเราได้ใครมาใหม่ๆเป็นสามีเป็นภรรยาเป็นคู่ครอง<ม>เราจะมีความดีอกดีใจมีความสุขแต่หลังจากอยู่กันไปได้สักระยะหนึ่งแล้ว<ม>ก็จะเกิดความเบื่อหน่ายขึ้นมามเกิดความจำเจเกิดความชินชา<ม>เกิดการทะเลาะเบาแวกเกิดการขัดใจกันขึ้นมามคนที่เคยรัก<ม>ก็เลยกลายเป็นคนที่<ม>น่าเกลียดหน้าชังไป คนที่ให้ความสุขก็กลายเป็นคนที่ให้ความทุกข์กับเราขึ้นมาเพราะนี่คือธรรมชาติ <c oughs> ของทุกสิ่งทุกอย่างที่พวกเรากำลังเข้าไปเกี่ยวข้องกำลังแสวงหาอยู่แต่เนื่องจากเรามีความมืดบอดคือโมหะความหลงอวิชชาความไม่รู้จริงจึงทำให้เราเห็นผิดเป็นชอบเห็นความทุกข์ว่าเป็นความสุข เห็นสิ่งต่างๆในโลกนี้ว่าจะให้ความสุขกับเราเราจึงตะเกียบตะกายพยายามแสวงหากันแบบแทบเป็นแทบตายเกือบแทบทุกลมหายใจก็ว่าได้พยายามจะหาสิ่งนั้นมาสิ่งนี้มาหาบุคคลนั้นมาหาบุคคลนี้มาเพราะคิดว่าเมื่อได้สิ่งเหล่านั้นมาแล้วจะทำให้เราเกิดมีความสุขนั่นเอง แต่เราไม่มีปัญญาเราไม่พิจารณาเราไม่รู้ถึงธรรมชาติที่แท้จริงของสิ่งต่างๆที่เราอยากได้มาครอบครองนั้นว่ามันเป็นไตรลักษ์ไตรลักษณ์ก็คือหนึ่งเป็นอนิจจังไม่เที่ยมสองเป็นทุกข์สามเป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่ของที่เราจะสามารถมาควบคุมบังคับ ให้เป็นไปตามความต้องการของเราได้เราได้อะไรมาสิ่งนั้นได้มาปับ๊บมันก็จะเริ่มเปลี่ยนแปลงไปทันทีมันเปลี่ยนแปลงของมันอยู่ทุกขณะเมื่อเราได้มาแล้วมันก็จะค่อยๆเปลี่ยนไปจากของใหม่ก็จะกลายเป็นของเก่าไปจากของดีก็จะกลายเป็นของชำรุดไปเมื่อมันชำรุดแล้วมันจะให้ความสุขกับเราได้อย่างไร เมื่อเป็นมันชำรุดแล้วมันก็กลายเป็นภาระที่เราจะต้องหาเงินหาทองมาซ่อมแซมมันเช่นซื้อรถยนต์มาเวลาซื้อมาใหม่ๆขับไปไหนมาไหนก็สะดวกดีแต่ใช้ไปเรื่อยๆมันก็เริ่มเกิดความอาการชำรุดเกิดขึ้นมาก็ต้องเสียเงินเสียทองไปซ่อมแซมไปบารุงรักษามันกลายเป็นภาระกลายเป็นความทุกข์ขึ้นมา นี่เป็นธรรมชาติของทุกสิ่งทุกอย่างแล้วเราห้ามมันไม่ได้ด้วยมันไม่ใช่อยู่ในความควบคุมของเราจะไปอธิษฐานจิตขอกับพระว่าขอให้ได้สิ่งที่ดีมาแล้วขอให้สิ่งนั้นไม่เปลี่ยนแปลงขอให้อนั้นสิ่งนั้นมันเป็นไปตามความต้องการของเราเสมอมันไม่ใช่วิสัยที่จะขอได้เพราะว่า <c oughs> โดยธรรมชาติของทุกสิ่งทุกอย่าง ที่เราเข้าไปเกี่ยวข้องด้วย <c oughs> ไม่ว่าจะเป็นสัตว์หรือเป็นบุคคลหรือเป็นข้าวของต่างๆล้วนอยู่ในกรอบของไตรลักษณ์นี้ทั้งสิน้นล้วนเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่เป็นสิ่งที่ใครจะมาควบคุมบังคับให้เป็นไปตามความต้องการของตนได้แต่พวกเรานั้นขาดปัญญากันเราไม่เห็นสิ่งเหล่านี้ คนที่จะเห็นสิ่งเหล่านี้ได้นั้นต้องเป็นคนระดับพระพุทธเจ้าเท่านั้นคนที่มีบุญบารมีมาแก่ก้าพอพอที่จะมองเห็นสิ่งเหล่านี้ได้เท่านั้นถึงจะเห็นได้แล้วสามารถปฏิบัติกับสิ่งเหล่านี้ได้ด้วยการปฏิบัติ จ, จิตใจของตนเองคือต้องหักห้ามจิตใ จ, จ ไม่ให้ไปหลงไปชอบไปยินดีกับสิ่งต่างๆทั้งหลายที่มีอยู่ในโลกนี้อย่าไปหวังหาความสุขจากสิ่งต่างๆเหล่านี้แต่ให้หันเข้ามาหาความสุขภายในจิตใจของตนเถิดนี่แหละจึงเป็นเหตุที่มาของหน้าที่ของพวกเราที่มีอยู่สามประการด้วยกันคือทำความดีทั้งหลายให้ถึงพร้อมละการกระทำบาปทั้งหลาย แล้วก็ชำระจิตใจชำระกิเลสตัณหาทั้งหลายให้หมดออกไปจากจิตจากใจเสียเพราะถ้าได้ทำสิ่งเหล่านี้แล้วจิตใจจะเข้าสู่ความสงบจิตใจจะเข้าสู่ความร่มเย็นเป็นสุขจิตใจจะเข้าสู่ความอิ่มหนำสำราญใจจิตใจจะเข้าสู่ความพอนั่นเองนี่แหละคือธรรมชาติของจิตของเราเป็นอย่างนี้มันไม่ได้อิ่มมันไม่ได้สุขกับ วัตถุเข้าของเงินทองกับสัตว์กับบุคคลต่างๆแต่มันสุขมันอิ่มเพราะการทําความดีเพราะการละการกระทําความชั่วเพราะการชําระจิตใจของตนเองให้สะอาดหมดจดดังนั้นเราจึงต้องทําหน้าที่ของเราให้ครบถ้วนให้ได้ถ้าเราไม่ได้ทําหน้าที่ของเราก็เท่ากับว่าเราเกิดมาแล้วเสียชาติเกิดนั่นเองชาติอันดี ชาติอันวิเศษแต่เรากลับไม่ได้เอามันมาใช้ให้เกิดคุณเกิดประโยชน์เหมือนกับไก่ที่ได้พลอยมันก็ไม่สนใจเพราะมันกินไม่ได้ไก่มันจะหาแต่ตัวนอนกินอย่างเดียว mm hmm. เวลามันขุดคุ้ยเขี่ยไปเจอเพชรเจอพลอยเข้ามันก็โยนทิ้งไปเพราะมันไม่มีปัญญาที่จะเห็นคุณค่าของเพชรของพลอยนั่นเองแต่พวกเราไม่ใช่ไก่ ถึงแม้ว่าเราจะเป็นไก่มาก่อนแต่เราเป็นไก่ที่ฉลาดแล้วเพราะเรามีครูมีอาจารย์นั่นเองเรามีพระพุทธเจ้ามีพระอริยสงสาวกคอยสั่งคอยสอนเราให้รู้ว่าอะไรเป็นเพชรเป็นพลอยอะไรเป็นไส้เดือนอะไรเป็นตัวนอน <c oughs> ให้เรารู้จักแยกแยะ <c oughs> แล้วเราจะได้ มีสมบัติอันวิเศษอันประเสริฐติดตัวเราไปตลอดอนันตการคือความสุขที่เรียกว่าปรมังสุขขังนั่นเองการสิ้นสุดแห่งการเวียนว่ า, ายตายเกิดการอยู่เหนือความทุกข์ทั้งหลายนี่แหละคือสิ่งที่วิเศษสิ่งที่มนุษย์ทั้งหลายไฝ่ฝันใฝ่ฝันใฝ่หากันแต่ไม่รู้ว่ามันอยู่ที่ไหนมันเป็นอะไรเท่านั้นเองเลย มีความเห็นผิดเป็นชอบเพาะขาดครูขาดอาจารย์ที่จะมาชี้บอกนั่นเองเลยกลายเป็นคนที่ชอบไปหาของในกองขยะแทนที่จะไปหยิบเพชรพลอยเงินทองที่เขามีไว้ในตู้ให้เราหยิบกับไม่สนใจกลับไปสนใจคุยเขียหาเศษหาเดนที่มีอยู่ในถังขยะนั่นแหละนี่แหละคือสิ่งที่เกิดขึ้นกับมนุษย์มนา ผู้ที่ยังมีความมืดบอดมีความลุ่มหลงอยู่นั่นเองไม่ได้รับการได้ยินได้ฟังพระธรรมคำสอนอันประเสริฐของพระพุทธเจ้าจึงเห็นพวกขยะทั้งหลายว่าเป็นสิ่งที่มีคุณค่าจึงพยายามแสวงหาแต่ขยะแล้วในที่สุดก็ต้องมาล้องห่มล้องห้เศร้าโศกเสียใจว่าหุ่นขุนมัวง มีแต่ความทุกข์รุมเร้าจิตใจอยู่ตลอดเวลาเพราะไม่มีของดีของวิเศษมาปกป้องมาทำลายความทุกข์ความรุ่มร้อนของจิตใจนั่นเองสิ่งที่พวกเราทังหลายเห็นว่าเป็นสิ่งที่เลิศที่วิเศษแต่เป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าและพระอรหันตาสาวกทั้งหลายเห็นว่าเป็นเศษขยะนั่นก็คือราบยศสารเสริญสุขนี่แหละ สิ่งที่พวกท่านทั้งหลายอุตส่าหากันแทบเป็นแทบตายอยากจะร่ำอยากจะรวยอยากจะใหญ่อยากจะโตอยากจะให้คนยกย่องสรรเสริญยืนยออยากจะมีเงินไว้ไปเที่ยวเตะอย่างเต็มที่อยากจะดูอยากจะฟังอยากจะกินอยากจะดื่มสิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นขยะทั้งสิ้นในสายตาของนักปราชอย่างพระพุทธเจ้าและพระอรหันตสาวกทั้งหลาย เพราะเหตุใดเพราะว่ามันไม่ใช่เป็นความสุขที่จีรังถาวรมันเป็นความสุขที่ซ่อนเน้นด้วยยาพิษนั่นเองคือมีความทุกข์อย่างรุนแรงสังเกตดูมีใครในโลกนี้บ้างที่ไม่ร้องห่มร้องไห้ไม่เศร้าโศกเสียใจไม่ถึงกับกระโดดกระโดดตึกตายฆ่าตัวตายกันคนพวกนี้ก็ล้วนมีลาบยศสรเสริมสุขด้วยกันทั้งนั้น แต่เมื่อถึงเวลาที่ลาบยศเสรเสริญสุขมันเกิดเสื่อมไปมันเกิดสูญไปหมดไปเวลานั้นนะ่ะเหมือนกับตกนรกทองแดงไม่สามารถอยู่อย่างปกติสุขได้แล้วทนอยู่ไม่ได้คนเคยรวยเมื่อมาจนแล้วอยู่สู้หน้าชาวบ้านไม่ได้คนที่เคยเป็นใหญ่เป็นโตมาต้องมากลายเป็นคนธรรมดาสามัญ น, นี้รู้สึกว่าอับอายขายหน้าคนทน ที่จะรับความทนที่จะไปะเผชิญหน้ากับคนอื่นไม่ได้คนที่มีแต่คนเคยยกย่องสรรเสริญเยือนยอแล้วอยู่ดีๆก็ไม่มีใครมายกย่องสรรเสริญเยือนยอเลยก็มีความรู้สึกว่าเหว่วเปล่าเปลี่ยวใจคนที่เคยได้กินได้เที่ยวได้ใช้เงินใช้ทองอย่างสุรุ่ยสุร่ายอย่างเต็มที่เมื่อขาดเงินขาดทอง แล้วก็ไม่สามารถที่จะอยู่ได้ต่อไปนี่แหละคือความทุกข์คือยาพิษที่มันถูกซ่อนเร้นอยู่ในความสุขแห่งลาบยศสรรเสริญสุขนี่เองพวกเราถ้าไม่คิดกันเราจะไม่เห็นต้องอาศัยคนช่างคิดช่างพิจารณาอย่างพระพุทธเจ้าเท่านั้นที่จะมองทะลุเห็นถึงยาพิษที่มันซ่อนเร้นอยู่ใน กองขยะที่พวกเราทั้งหลายกำลังหลงละลงละเลินกันอยู่นั่นเองนี่แหละคือความแตกต่างระหว่างพวกเรากับพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้านั้นท่านมีปัญญาท่านมีดวงตาเห็นธรรมท่านไม่มีเมฆหมอกมาบุมาบา่มาปิดบงังเหมือนกับสายตาของพวกเราที่มีโมหะอวิชชาเมฆหมอกแห่งความมืดบอด มาปกปิดใจของเราทำให้เราเห็นทุกสิ่งทุกอย่างกลับตาละปัดไปเห็นสิ่งที่ดีกลายเป็นสิ่งที่ไม่ดีไปเห็นสิ่งที่ไม่ดีกลายเป็นสิ่งที่ดีไปชีวิตของเราจึงตะคุบแต่สิ่งที่ไม่ดีอยู่เรื่อยไปเมื่อเราโมวแต่ไปทาแต่สิ่งที่ไม่ดีทำตรงกันข้ามกับสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนแล้วชีวิตของเรามันจะดีขึ้นได้อย่างไร พระพุทธเจ้าสอนให้เราทำความดีเรากลับไปทำความชั่วพระพุทธเจ้าสอนให้เราละการกระทำความชั่วเรากลับไปทำความชั่วกันพระพุทธเจ้าสอนให้เราชำระกิเลสตัณหาเรากลับไปส่งเสริมกิเลสตัณหาให้มันมีมากยิ่งยิ่งขึ้นไปในจิตใจของเราแล้วเราจะไปหาความสุขความจเจริญมาจากที่ไหน <c oughs> เพราะสิ่งต่างๆที่เราประพฤติปฏิบัตินั้นล้วนเป็นการสร้างความทุกข์สร้างความเสื่อมเสียให้กับชีวิตของเราทั้งนั้นแล้วเราจะไปเอาความสุขความเจริญมาได้อย่างไรถ้าเราต้องการความสุขความเจริญเราก็ต้องทําหน้าที่ของมนุษย์ให้สมบูรณ์คือต้องทําความดีให้ถึงพร้อม ต้องละความชั่วละบาปกรรมทั้งหลายแล้วชำระจิตใจของเราให้สะอาดหมดจดเวลาโลภ ก, ก็อย่าไปโลภตามเวลาอยากก็อย่าไปอยากตามให้ใช้เหตุใช้ผลว่าสิ่งที่เราต้องการนั้นมันมีความจำเป็นต่อการดำรงชีพหรือไม่ถ้าเป็นสิ่งที่มีความจำเป็นต่อการดำรงชีพอย่างนี้ไม่เรียกว่าเป็นความโลภไม่เรียกว่าเป็นความอยาก แต่เรียกว่าเป็นความจําเป็นเช่นอาหารที่จะรับประทานนี้เป็นสิ่งที่จาเป็นต้องมีอาหารไว้รับประทานแต่ต้องรู้จักประมาณอย่าไปรับประทานมากเกินความจําเป็นความต้องการของร่างกายถ้าเป็นเช่นนั้นก็กลายเป็นความโลภขึ้นมาได้เหมือนกันดังนั้นเวลาที่เราจะใช้สอยอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องปัจจัยสี่ ที่เป็นสิ่งที่จำเป็นต่อการดำรงชีพก็พยังต้องมีความรู้จักประมาณอยู่คือต้องให้รู้จักประมาณอย่าไปใช้เกินความจำเป็นของมันอาหารไม่จำเป็นจะต้องมีราคาแพงๆอาหารทุกอย่างมันก็มาจากที่เดียวกันมาจากไร่จากนามาจากสวนแล้วก็มาขายที่ตลาดแล้วก็เอาไปทำที่บ้านที่ร้านที่โรงแรมมันเป็นอาหารชนิดเดียวกันทั้งสิ้น ต่างกันเวลาเราไปรับประทานตามสถานที่ต่างๆมันมีค่าใช้จ่ายอย่างองื่นเขาบวกเข้าไปมันเลยทำให้อาหารเหล่านั้นกลายเป็นมีราคาแพงขึ้นมาแต่คุณค่ามันไม่ได้แพงขึ้นตามราคาคุณค่ามันก็เท่าเดิมกินไข่เจียวที่บ้านกับไปกินไข่เจียวที่โรงแรมมันก็เป็นไข่เจียวเหมือนกันแต่ไข่เจียวที่บ้านมันจานละสิบบาทแต่ไปกินที่โรงแรมมันกลายเป็นจานละร้อยบาท มันขึ้นมันขึ้นที่ราคาแต่มันไม่ได้ขึ้นที่คุณค่าถ้าคนไม่มีปัญญาก็จะหลงคิดว่ากินไข่เจียวที่ลงแรมนี้มันวิเศษเลิศโลกยิ่ง ม, ม, มีมีเชฟฝลังมาทําให้กินด้วยนะโอ้ยิ่งวิเศษใหญ่ที่แท้มันก็ไข่เจียวเหมือนกันกินเข้าไปในท้องออกมามันก็เป็นของที่ไม่มีใครปรารถนาเหมือนกันทั้งนั้นไม่ว่าจะกินที่ไหนมันก็เป็นอย่างนั้นเหมือนกันทั้งสิ้น ดังนั้นเรากินอะไรเราต้องใช้ปัญญาอย่าไปหลงหลงแล้วเราจะต้องกลายเป็นทาสของความหลงจะต้องเหนื่อยยากกับการหาเงินหาทองเพื่อที่จะมาซื้อของแพงๆกินที่ไม่มีคุณค่าราคาอะไรเลยเพียงแต่มนุษย์เขาสมมติกันขึ้นว่ามันมีคุณค่ามีราคาก็หลงตามสมมติเขาไปเท่านั้นเองแต่ความเป็นจริงแล้วคุณค่ามันก็เท่ากัน ถ้าเรามีปัญญาแล้วเราจะสามารถมองทะลุสิ่งเหล่านี้ได้เราก็จะไม่หลงตามเมื่อเราไม่หลงตามเราก็ไม่ต้องเหนื่อยเพราะว่าสิ่งต่างๆนั้นมันต้องใช้เงินใช้ทองของยิ่งแพงก็ต้องใช้เงินมากและการมการใช้เงินมากๆก็ต้องหามามากๆหามามากๆมันก็เหนื่อยมากะสินี่แหละคือปัญหาถ้าพวกเราไม่มีปัญญามันจะหลอกให้เรา ไปวุ่นอยู่กับสิ่งที่ไร้ค่าอย่างที่ได้พูดไว้ในเบื้องต้นว่ามันเป็นเหมือนกับเศษขยะในถังขยะนั่นแหละเรากำลังไปยุ่งกับพวกเศษขยะถังขยะกันแต่พวกเพชรนินจินดาพวกเงินพวกทองเรากับไม่สนใจกันเรากลับปล่อยปละละเลย ชีวิตของเราเลยเป็นชีวิตที่ไม่ค่อยมีคุณค่าราคาเท่าไหร่มองดูตัวเองทีไรก็ไม่มีความรู้สึกภูมิอกภูมิใจเลยเพราะมองเข้าไปก็มีแต่กิเลสมีแต่ทันหามีแต่ความเห็นแก่ตัวมีแต่ความเกลียดคร้านมีแต่ความชั่วช้าต่างๆไม่มีศีลไม่มีธรรมอยู่ในจิตในใจของตนเลยมองเข้าไปทีไรแล้วก็ไม่มีความสุขไม่มีความภูมิใจ ไม่เหมือนกับคนที่ปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้ามีแต่คอยทำแต่ความดีละการกระทำบาปความชื่อทั้งหลายชำระกิเลสตัณหาความเห็นแก่ตัวความเกียดครานทั้งหลายที่มีอยู่ในจิตในใจให้มันเบาบางให้มันหมดไปเวลามองดูที่ตัวเองแล้วก็อดที่จะภูมิใจไม่ได้ถึงแม้จะไม่มีใครมายกย่องสรรเสริญเยืนยอ แต่ก็อดที่จะสรรเสริญตัวเองไม่ได้เพราะมันเป็นอย่างนั้นจริงๆมันมีอย่างนั้นจริงๆอยู่ในตัวของเราเราทำไมจะยกยอสรรเสริญตัวเราเองไม่ได้เมื่อมันเป็นความจริงเราไม่ต้องให้คนอื่นมายกยอปอปป้นเรายิ่งเราไม่มีอะไรแล้วให้เขามายกยอปอบป้านนี้เท่ากับเป็นการหลอกตัวเองโกหกตัวเองหลงตัวเองนั่นเองเพราะว่า ถ้าเราไม่มีความดีแล้วคนเข้ามาบอกว่าเรามีความดีเราไปหลงเชื่อนี่มันก็เท่ากับเป็นคนตาบอดสอนคนตาบอดนั่นเองคนตาบอดนําพาคนตาบอดมันจะพาไปไหนถ้ามันไม่พาไปตกหลุมตกบอ่อตกเหวในที่สุดฉันใดโมหะอวิชชาความมืดบอดมันก็เป็นอย่างนั้นคนมืดบอดกับคนมืดบอดมาชมกันว่าโอ้ยเธอดีอีกครั้นเธอดีอย่างนี้ทั้งทั้งที่ทําแต่ความเชื่ออยู่ตลอดเวลา แล้วอย่างนี้มันจะไปพาไปไหนกันเมื่อไปยกย่องสรรเสริญว่าเขาดีเพราะทําความชั่วเขาก็ยิ่งได้ อ, อกได้ใจที่จะทําความชั่วต่อไปเมื่อทําความชั่วมากๆแล้วเวลาตายไปมันจะไปไหนถ้ามันไม่ไปตลกมันถ้ามันไม่ไปตกนรกหมกักไหมนี่แหละมันเป็นเรื่องของมนุษย์ที่ขาดศีลธรรมขาดปัญญาขาดธรมดธรมะคาสอนของพระพุทธเจ้ามันจะต้องมุ่งไปทางนั้นโดยถ่ายเดียว มันจะต้องมุกไปสู่สิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นอบายามุกต่างๆเช่นการเสพ ร, รายาเมาการเล่นการพ น, นันการเที่ยวกลางคืนการครบคนชั่วเป็นวิตรความเกลียดคร้านเหล่านี้แหละเป็นทางเดินของคนชั่วเป็นทางเดินที่จะพาไปสู่นรกต่อไปเพราะถ้าได้เกี่ยวข้องกับอบายามุกเหล่านี้แล้วสิ่งที่จะตามมาต่อไปก็คือการลักทรัพย์ การประพฤติผิดประเวณีการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตการพูดปดหมทเทศโกโหกหลอกลวงก็จะเป็นสิ่งที่จะต้องตามมาต่อไปเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่มันจะต้องถูกเรียกขึ้นมารับใช้เพราะคนเราเมื่อเดือดร้อนจากการสูญเสีย เ, เงินทองเช่นไปเล่นการพ น, นัน เมื่อไม่มีเงินทองแล้วจะทำยังไงก็ต้องไปโกหกหลอกลวงขอยืมเงินผู้อื่นมาก่อนว่าจะเอาไปชแล้วจะเอาไปใช้ทีหลังแต่ก็ไม่มีโอกาสที่ได้ใช้เพราะเมื่อได้เงินมาแล้วก็เอาไปเล่นการพนันต่อเล่นจนหมดแล้วจะเอาเงินไปใช้เขาที่ไหนห น, หนักข้าวก็อาจจะต้องไปลักขโมยนะแล้วหนักนกข้าวปล่อไปก็อาจจะต้องไปฆ่าผู้อื่นเพราะเวลาไปจี้ไปโป้นเขาก็ต้องมีการต่อสู้กัน ไปเจอเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ต้องต่อสู้กันแล้วในที่สุดก็ต้องถูกเขาฆ่ า, าหรือต้องฆ่าผู้อื่นนี่คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นตามมาถ้าไปเกี่ยวข้องกับพวกอาบายยมุกทั้งหลายไปเกี่ยวข้องกับการกระทำความชั่วจึงต้องระมัดระวังต้องพยายามยืดเอาสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนมาปฏิบัติกับชีวิตของเราให้ได้ เพราะมันเป็นแต่สิ่งที่ดีมีแต่ผลกำไรอย่างเดียวรับรองได้ว่าไม่ขาดทุนถ้าเดินตามแนวทางของพระพุทธเจ้าแล้วไม่มีการขาดทุนมีแต่จะกำไรเพิ่มมากขึ้นไปเรื่อยๆจนกลายเป็นมหาเศรษฐีอย่างพระพุทธเจ้าขึ้นมาเป็นเศรษฐีธรรม